อันนี้ก็ขอกล่าวถึงเรื่องกรรมกรร ม, มบทเนี่ย น, นะกล่าวถึงเรื่องอธินาทานอธินาทานก็คือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้คือเขาไม่ได้ให้อ่ะแต่ว่าเรานี่มีเจตนาไม่ดีที่จะถือเอาสิ่งของของคนอื่นเขาซึ่งท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าการนําของผู้อื่นไปคือการลักได้แก่ความเป็นขโมย ความเป็นขโมยนั่นเองชื่อว่าอะทินนาทานคือทานนี่แปลว่าการให้ใช่ไหมทินนแปลว่าการให้ทั้นการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นั่นแหละคำว่าอาทินนังเนี่ยนะได้แก่ของที่คนอื่นหวงแหนซึ่งของใครใครก็รักของใครใครก็หวงกันนะลักษณะเนี่ยทรัพย์สินสิ่งนั้นอ่ะทั้นคนอื่นเมื่อถึงความเป็นผู้ทําตามชอบใจในสิ่งที่ผู้อื่นหวงแหนแม้อันใด ไม่ควรได้รับโทษทันและไม่ควรถูกตําหนิคือผู้ที่เป็นเจ้าของใช่ไหมสามารถที่จะใช้ของสิ่งนั้นได้โดยที่ไม่มีใครตําหนิเลยเพราะฉะส่วนผู้ที่มีเยยะเจตนาตั้งใจลักของผู้ที่มีความสําคัญในสิ่งของที่ผู้อื่นหวงแหนนั้นอ่ะเป็นของที่ผู้อื่นหวงแหนยังความพยายามถือเอาของนั้นให้ตั้งขึ้นชื่อว่าอัธินาทานเราก็รู้ด้วยนะว่าของเนี่ยเขาหวงมาก แต่เราจะเอาอ่ะผู้ที่คิดจะเอาในลักษณะนี้แหละชื่อว่าลักษณะของอธินาทานเหมือนกับผลไม้ลูกนี้อเรารู้ว่าเขาห่วงอะเจ้าของเขาไม่ชอบใจแน่เราเอาไปแต่เราก็ถือเอาเลยอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาห่วงอะ่ะเพราะฉะั้นอธินาทานนั้นที่ลักขโมยเนี่ยนะชื่อว่ามีโทษน้อยในเพราะของผู้อื่นเลวของราคาน้อยก็มีโทษน้อยหน่อยแล้วแต่ว่าลักอะไร รักเข็มก็มีโทษน้อยกว่ารักของที่มีค่าพอเข็มอีกอะไรที่มีค่ามากก็มีโทษมากไปตามนั้นเชื่อว่ามีโทษมากในเพราะของผู้อื่นประณนีดคือราคา ม, มากเพราะเหตุายเพราะวัตถุ ป, ประณนีดรักของดีๆก็บาปมากหน่อยถ้ารักของที่ไม่ดีก็บาปน้อยหน่อยที่เชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะของผู้อื่นน้อยเชื่อว่ามีโทษมากในเพราะของผู้อื่นมากก็เช่นเดียวกัน เพราะเหตุไรเพราะวัตถุใหญ่และเพราะประโยคใหญ่ใช่ไหมทลักหนึ่งบาทก็มีโทษน้อยกว่าลักสิบาทใช่ไหมลักสิบาทก็มีโทษน้อยกว่าร้อยบาททลักร้อยบาทก็มีโทษน้อยกว่าพันบาทถ้ทลักพันบาทก็มีโทษน้อยกว่าแสนอย่างเงี้ยก็ไปเรื่อยๆแต่เมื่อวัตถุเสมอกันก็คือลักบาทหนึ่งสองบาทเท่ากันนะะลักทีละบาทสองบาทเหมือนกันอย่างเงี้ยก็บอกว่าโทษมากในเพราะวัตถุของผู้ที่มีคุณสูงสมมุติถ้าหากว่า รักสตังพ่อบาทหนึ่งกับรักสตังเพื่อนบาทหนึ่งพ่อเป็นคนมีศีลมีธรรมเพื่อนไม่มีศีลไม่มีธรรมอย่างเงี้ยนะใครบาปกว่ากันบาทเดียวเท่ากันรักพ่อบาปกว่าพ่อมีศีลมีธรรมอ่ะรักพ่อก็บาปกว่าทุบตีพ่อแม่ก็ยังบาปเลยท่นถ้าคิดไม่ดีแล้วเนี่ยนะกับพ่อกับแม่ยิ่งท่านมีคุณมากก็ยิ่งมีโทษมากทีนี้ถ้าหากว่าไปรักของที่ผู้มีคุณธรรมต่ำกว่า ผู้มีคุณธรรมสูงนั้นๆน่ะโดยหมายเอาคุณธรรมที่สูงสูงนั้นนั้นเป็นเกณฑ์สมมุติถ้าเราไปลักของคนที่ไม่มีศีลราคาเท่ากันเนี่ยนะกับลักของคนมีศีลเนี่ยนะคนมีศีลเนี่ยบาปมากกว่าทีนี้ศีลห้ากับศีลแปดเนี่ยนะรักเสื้อตัวหนึ่งของคนมีศีลห้ากับรักของคนมีศีลแปดรักของคนมีศีลแปดเนี่ยบาปกว่าทีนี้ถ้าลักของคนมีศีลแปดกับรักของสามเณรรักของสามเณรก็บาปกว่า ทีนี้ถ้าหากว่ารักของสำ ม, มนเนิกับรักของพระถ้าปุตุชนทั้งคู่รักของพระบากกว่าแต่ถ้าเนนเป็นท่าอรหันรักเนนบาปกว่าต้องแล้วแต่คุณธรรมของของเจ้าของอันนั้นถ้าราคาเท่ากันนะเพราะเอาเจ้าของเนี่ยมีคุณธรรมมากขนาดไหนท่านของส่งเนี่ยจึงมีโทษมากแต่เมื่อวัตถุและคุณเสมอกันอธินาทานชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะความที่กิเลสและประโยคเป็นของอ่อนคือหมายความว่า สำหรับของพ่อแม่เนี่ยมีค่าเท่ากันของพ่อก็ค่าเท่ากันของแม่ก็ค่าเท่ากันเราเนี่ยรักของพ่อของแม่พ่อแม่เนี่ยมีศีลมีสติปัญญาอะไรเท่ากันหมดเลยเราไปรักของใครบาปกันรักของใครยากที่สุดบาปมากเท่านั้นไงคือใช้ความพยายามกับการรักอะไรของใครมากบาปมากคิดจะรักของพ่อมากบาปมากคิดจะรักของแม่มากบาปมากแล้วแต่ปารกออันนี้เรียกว่าแล้วแต่กิเลสแล้วแต่ประโยค คือที่กล่าวเอาพ่อแม่ใช่ไหมสมัยเด็กๆเอาบ่อยอ่ะประเด็นอนนี้ผมมีคําถามอยู่นิดหนึ่งครว่ารักของคนอื่นนะครับถึงแม้ว่าค่ามากมีบาปมากนะค่าน้อยมีบาปน้อยแต่ทีนี้สมมติว่าบาปมันอยู่ที่ใจตัวเองอ่ะสมมติเรารักของคนอื่นมีค่ามากแล้วเราไม่คิดอ่ะไม่ต้องคิดมันนะเอามาละกันแล้วไปแต่เราทํานองเดียวกันอ่ะ ตรงข้ามเราลกของคนอื่นมีค่าน่อยแต่เราคิด เ, เหลือเกินเราไม่น่าจะขโมยเขาเลยถึงจะมีค่าหน่อยมันก็ไม่น่าขโมยเขาอ่ะนะอันนี้อันไห น, น, นบาปมากกว่ากันครับถ้าว่าถ้าเอาในเรื่องลักษณะเดียวกันถ้ า, harness, ถากิเลสมากในเรื่องนั้นๆถ้าวิปัิสารมากก็บาปมากอยู่แล้วถ้าวิปัสสารมากก็บาปมากแต่คือในขณะเดียวกันเนี่ยนี่คือเหตุภายในนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรารักของบางคนเราไม่คิดมากแต่อาจจะมีโทษมากเช่นของสงเนี่ยสมมตินะ บาปมากแต่ไม่คิดอะไรเลยอย่างเงี้ยยังไงก็บาปมากอย่างแล้วคิดไม่คิดก็บาปมากท่านจึงแยกว่าสมมุติว่ารักของใครก่อนรักของใครทีนี้ในการรักอันเดียวกันเนี่ยกิเลสอันไหนเกิดมากกว่า <mm บางทีเราไปลักของเพื่อนนี่คิดมากจังเลยนะแต่ว่าไปารงงักของพระารหารอย่างเงี้ยกลับไม่เคยคิดเลยอย่างเงี้ยรักของผ้าทหารก็บาปมากกว่า <mm คือในขณะที่เรารักก็ถือว่าเป็นของเราไปแล้วขณะที่เราถือเอาเคลื่อนจากฐานเนี่ยนะ การลักเนี่ยนะแค่เคลื่อนจากฐานเนี่ถือว่าถือว่าผิดแล้วนะสมมติว่าเราเห็นดินสอเขาวางไว้ใช่ไหมเรารู้ว่าของมีเจ้าของเรายกขึ้นเนี่ยนะพลเนี่ยปลายเส้นผมเนี่ยเอาไปได้ไม่ได้ไม่เป็นเกณฑ์เคลื่อนจากฐานเนี่ยถือว่าเป็นอธินนาทานแล้วเอาไปสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามแค่เคลื่อนจากฐานเนี่ยเท่าปลายเส้นผมเนี่ยนะคือสมมติว่ายกขึ้นเนี่ยพลเนี่ยปลายเส้นผมเนี่ยถือว่าขาดแล้วล่วงกรรมบทไปแล้ว คือถึงจะลักเอาไปให้ใครก็ตามเถอะในขณะที่รักก็ขณะหนึ่งขณะที่ <คน S 1> ให้ก็ขณะหนึ่งคนละขณะกันคนละขณะกันเจนทอนถามว่าของที่รักขโมยมาเนี่ยเอาไปทําบุญได้บุญไหมได้ไหมได้แต่ว่าบุญนั้นไม่มีผลมากเมื่อเทียบกับของบริสุทธนะิ์นะอะในของสิ่งเดียวกันเนี่ยนะถ้าของบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ของที่บริสุทธิ์มีมีอนิสงส์มากมีผลมาก เพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าบุญที่มีผลมากอันนี้สองมากก็คือหนึ่งผู้ให้มีศีลของนั้นมาโดยธรรมสามผู้รับก็มีศีลอองสามนี้จึงเป็นผู้ให้ที่มีผลมากมีย น, นี้สองมากถ้าเป็นพระภิกษุนเนี่ยสมมติว่าขออันนี้มีราคาเกินกว่าห้ามาศกตามพระวินัยบัญญัติเนี่ยนะยกเนี่ยเคลื่อนจากฐานเท่านั้นก็ประราชิกแล้วเคลื่อนจากฐานก็ประราชิกแล้วเอาไปได้ไม่ได้ไม่ใช่เกณฑ์ แคเคลื่อนจากฐานเนี่ยปาราชติกับอกว่าเหมือนคนคอขาดแล้วเนี่ยยังไงก็คอขาดแล้วกุดแล้วฉันอากุศลนั้นที่เราทําไปแล้วนะถึงมาเสียใจหรือไม่เสียใจก็ตามอากุศลนั้นก็เป็นอันนั้นไปแต่ถ้าหากบอกใครที่ทําแล้วเสียใจเนี่เขาเรียกว่ามีวิปติสารนั้นมีความเบียดร้อนใจอ่าคนที่วิปติสารเนี่ยเขาบอกว่าวิปติสารเนี่ยจะเกิดกับคนดีเท่านั้นพอวิปติสารปล๊บก็ให้ตั้งใจสํารวมเอาใหม่นะพลาดแล้วไปแล้วไป คือมันพลาดไปแล้วอะทำางได้ท่านให้ตั้งใจเอาใหม่ทัานศีเนี่จึงเกิดเพราะการหนึ่งการสมาทานใช่ไหมการสํารวมระวังถ้ายากับภาพเป็นอบัตอย่างนั้นแหละบอกว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าต้องอบัตเชื่อนี้ไปกล่าวกับพระพิสุอีกรูปหนึ่งพิสุอรูปหนึ่งก็บอกว่าท่านเห็นอบัตนั้นหรือท้าบผมเห็นเออดีแล้วขอให้ท่านสํารวมระวังต่อไปดีแล้วข้าพเจ้าจะสํารวมระวังด้วยดีต่อไปท่านการสังวรสํารวมระวังเนี่ยเป็นความเจริญ แต่ว่าถ้ารู้แล้วยังขืนทำนี่ก็เรียกว่าเป็นอรัชีเขาเรียกว่าไม่มีความละอายแต่ถ้าหากว่าล่วงไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคิดทำคืนนี่เป็นรัตชีเป็นผู้มีความละอายมีเฮเรโอตตา ป, ปะคือของที่ตกไว้แน่นนะมันแล้วแต่จะคิดอะแล้วแต่เจตนาถ้าเจตนาจะถือเอาอ่ะก็เป็นอธินนาทานนะนะคือเจตนาถือเอาว่าของเนี่ยมีเจ้าของหวงแหนแน่นอนเจ้าของเข้ามาขืนเ้าต้องเอาแน่นอนเสร็จ แ, แล้วเราคิดจะเอา เขาบอกว่าในวินัยเนี่ยก็มีกล่าวไว้นะก็บอกว่าถ้าเป็นของเก็บในวัดเนี่ยถ้าของตกในวัดนะวินัยกรรมบอกว่าให้เก็บเอาไว้ให้เจ้าของเขาถ้าเจ้าของเขามาก็ก็คืนเขาแต่ถ้าหากว่าเจ้าของเขาไม่มาเจ้าของเขาไม่มาก็ให้ไปก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นเนีนะแต่แล้วถ้าเจ้าของเขามาเมื่อไหร่ก็บอกเขาว่าของของโยมเนี่ยทํามานี้ไปแล้วนะถ้าเขาไม่ยอมต้องใช้คืน นี่คือของนอกวัดเนี่ยเขาให้เก็บนะแต่ถ้าของในวัดนะถ้าไม่เก็บเนี่ยเป็นอบัตแต่ถ้าเป็นนอกวัดเนี่ยถ้าเก็บด้วยไทธิเจตนาเป็นต้นเนี่ยก็เป็นประราชิกของพระเนี่ยถ้ามีค่าห้ามาตกปั๊บเนี่ยเก็บขึ้นจากพื้นดินก็ถือว่าเป็นเป็นประราชิกละพราะนนายวินัยท่านจึงบอกว่าจะหยิบของคนอื่นเนี่ยให้สำเนียกใส่ใจว่าเหมือนกับจะจับงูเห่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องลักษณะนี้นะพระที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยนะ พอมาศึกษาพระวินัยตอนหลังเนี่ยจะวิปฏิสารมากจะเดือดร้อนใจเอ้เราเคยไปคิดจับของใครแบบนั้นบ้างบางองค์เนี่ยถึงกันนอนไม่ค่อยหลับเลยอ่ะอันถ้าไม่ศึกษาเรื่องของอธินาทานให้ดีเนี่ยวิปฏิสารจะง่ายมากอันเรื่องของศีลเนี่ย ม, มีมีความสำคัญมากถ้าเราไม่สามารถที่จะชำระศีลได้ดีความบริสุทธิ์ใจเราก็มีไม่เพียงพอความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจเราไม่เพียงพอ ถ้าความบริสุทธิ์กายวาจาใจาไม่เพียงพอนะเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ฐานะเลยเป็นของที่ยากมากถ้ากรรมฐานยากแล้วเนี่ยถ้าสมถกรรมฐานยากนะวิปัสสนากรรมฐานการที่จารณาเรื่องขันธ์ธาตุยตนาเป็นต้องก็เป็นเรื่องที่ยากกว่านั้นอีกมีความยากละเอียดลึกซึ้งตามลําดับชั้นนั้นไปทีนี้ในอาทินาทานนั้นเชื่อว่ามีโทษน้อยในเพราะของผู้อื่นเลวเป็นรักของที่มีราคาน้อยก็ นี่โทษน้อยอย่างที่ว่าไปแล้วทีนี้กล่าวว่าถ้าหากว่าไปรักหรือไปทําชั่วในสํานักพระขี่นาศบถึงขั้นอาทินนาทานก็มีโทษมากไปลักของพระอารหันต์เปต้นเนี่ยก็ถือว่าบาปมากคือคําว่าลักเนี่ยนะบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ลักในลักษณะเอาไปใช้อะไรไปลักเช่นไปทําลายให้มันเสียหายไปเนี่ยนะอันนี้ก็ชื่อว่าสงเคราะห์ประเภทอาทินนาทานเหมือนกันนะ เป็นไปทาลายไปให้มันเสียหายไปให้ให้ใหพ้นพ้นจากเจ้าของไปพันอธินาทานนั้นจะต้องเอาองค์มาจับด้วยนะว่ามีองค์ห้าหนึ่งประปริคหิตังของที่เจ้าของห่วงแหนสองประปริคหิตะสัญญิตารู้อยู่ว่าเป็นของที่เจ้าของเขาห่วงแหนและก็สามทะยจิตตังจิตคิดจะรักสี่อุปปกโมทําความพยายามที่จะรักห้าเตนะหรนังลัก มาได้ด้วยความพยายามคือเรียกว่ารักด้วยความพยายามอันนั้นนะตรงนี้เนี่ยอยคําว่ารักมาเนี่ยนะมันเป็นสำนวนเฉยๆแค่เคลื่อนจากฐานนะเพรานรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องรักๆนั้นอ่ะในวินัยปิฎกทุติยะป ร, ะราชิกกล่าวไว้ละเอียดมากอันหนึ่งภิกษุใดถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นส่วนโจรกรรมจากบ้านก็ดีจากป่าก็ดี อันพระราชาจับโจรได้แล้วค่าเสียบ้างจำขังไว้บ้างในประเทศเสียบ้างด้วยตับโทษว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นขโมยเจ้าเป็นคนพานเจ้าเป็นคนหลงเพราะถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานใดพิสูจนถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานนั้นแม้พิสูจนนี้ก็เป็นประราชิกหาสังวาสไม่ได้มีมีโทษอันห้ามาศนี้วินิจฉัยก็ประมาณไม่เกินสองรอยบาท้าตัวไม่กี่ตังค์แล้วฆ่าติด พ, พาด์ทกคอหลุดแนละ้ว ทีนี้ต่อไปนะว่าประโยคมีหกอย่างคือประโยคแห่งการลักนะนะก็เหมือนกับปาณปฏิบาตอาจจะลักเองหรือว่าใช้ให้ผู้อื่นรักเป็นต้นก็ได้กอถือว่ามีโทษทั้งนั้นแหละทีนี้บรรดาการรักบางอย่างก็รักได้ด้วยการร่ายมนใช่ไหมก็เรยียกว่าคล้ายๆกับสะกดจิตแบบนี้นะไปสะกดจิตให้เขาควักสตังค์มาให้เราเองอย่างเงี้ยอันนั้นก็ชื่อว่าเป็นการรักเหมือนกันนั่นก็ถือว่ารักด้วยวิชา การบันดาลมาซึ่งของของผู้อื่นด้วยกายประโยคและวจีประโยคอันสําเร็จแล้วด้วยอนุภาพของฤทธิเช่นนั้นเว้นจากมนพึงทราบว่าเชื่อว่าอิทธิมยะประโยคคือบางคนเนี่ยไม่ได้เรียนเวทมนต์อะไรมาแต่มีความพิเศษบางอย่างสามารถที่จะบันดาลให้เขาเนี่ยเอาของมาให้ได้โดยที่เจ้าของเขาไม่ได้เต็มใจอะไรเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอธินาทานอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าอาการรักเนี่ยมีห้าอย่าง เช่นลักด้วยความเป็นขโมยเรียกว่าทยาวหานสองประสา ย, ยาวหานก็คือลักด้วยการข่มขู่ขูเอาอะขู่เอาก็ถือว่าเป็นอธินาทานเหมือนกันขู่หรือการโชคประเรียกกระปาวหานลักตามที่กําหนดไว้แล้วก็สี่ปฏิจฉันนาวหานลักด้วยกิริยาที่ปกปิดแล้วก็ห้ากุสาวหานลักด้วยการสับเปลี่ยนฉลักอันวิธีการลักเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสังเกตด้วยนะ ทำกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งแทบจะเป็นการลักเลยให้เอาองค์ข้างบนเนี่ยไปจับในการจับเข้าของคนอื่นเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะในกิริยาเหล่านี้เอาข้อห้าข้างบนเนี่ยอ่าเช่นสับเปลี่ยนเนี่ยสับเปลี่ยนทํำไมใช่ไหมสมมติถ้าหากว่ามีนาฬิกาอยู่สองอันนาฬิกาอันหนึ่งในราคาสิบบาทนาฬิกาอีกอันหนึ่งราคายี่สิบบาทอย่างเงี้ยนะซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากเราก็มาสับเปลี่ยนกัน ลักษณะนั้นก็เป็นลักษณะของอธินนาทานอย่างหนึ่งเหมือนกันตรงนี้ไม่กล่าวละเอียดนะเพราะว่าในวินัยปิฎกทุติยะปราชิกเนี่ยโอ้โหกล่าวละเอียดลึกซึ้งมากเลยทินนาทานเนี่ยละเอียดมากในบรรดาวินัยปิฎกเนี่ยอธินนาทานเป็นเรื่องที่ละเอียดละออลึกซึ้งมากทีนี้การที่เราจะรู้เรื่องของอธินนาทานดีเราก็เอาอาการหกมาวินิจฉัยเช่นโดยสภาวะโดยอารมณ์โดยเวทนาโดยมูลโดยกรรมและโดยผลของ อธินาทานยาทีนี้โดยสภาพอธินาทานทั้งหมดเป็นสภาพของเจตนายอย่างเดียวใช่ไหมคิดจะรักที่จะเอาอ่ะสองโดยอารมณ์อารมณ์ของอธินาทานมีทั้งสัตว์เป็นอารมณ์บ้างมีทั้งสังขารเป็นอารมณ์บ้างแล้วแต่ว่าไปรักอะไรรักสิ่งมีชีวิตหรือลักสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้สมมติว่าลักคนอย่างเงี้ยรักเด็กอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ชื่อว่าเป็นการรักเป็นการขโมยด้วยเหมือนกัน อันโดยเวทนาความรู้สึกขณะที่ขโมยอธินนาทานมีเวทนาสามขณะที่ขโมยบางทีก็สุขนะบางคนเนี่ยรักด้วยความสุขใจรักด้วยหน้าโลภะนะรักจนชำนาญเนี่ยนะยิ้มเฉยเลยนะรักด้วยแบบเรียกว่าสีหน้าไม่เปลี่ยนความรู้สึกไม่เปลี่ยนเลยอ่ะอทินนาทานที่คนค่อนข้างทําบ่อยๆมากบางคนเนี่ยรักก็เฉยได้อะบางคนเนี่ยรักเสร็จแล้วก็ทุกข์ใจสูงๆต่ๆตําๆตุกๆตับทุกตับนะทุกข์นะ ไม่เคยโหสมัยสมัยเด็กๆอ่ะไปลักอ้อยรู้ว่ามีคนเฝ้าอยู่อ่ะเราเนี่จะเอาไปยังไงนะจะให้เจ้าของเขาไม่เห็นอ่ะโหไปหากได้ลำสองลำเจ้าของเอมาจับได้เนี่ยโอ้แทบร้องไห้เลยถ้าจะแฝกแผ่นดินหนีเลยนะไม่เคยมีความทุกข์ใดเท่านั้นเลยอ่ะโอ้ทุกจริงๆเจ้าของเอามาบอกวิ่งเราวิ่งใหญ่เลยนะโอ้ยจำได้ทุกวันนี่จำได้ยังรู้สึกเหนื่อยเลยอะ่ะสิบกว่าปีเออสมัยเด็กๆอ่ะ คนนานยังยังเรียนหนังสือยังอยู่เรียนประถมอยู่เลยแล้วชวนไปก็ไปลักอ้อยแล้วอ้อยนี่มันอ้อยเขาเรียกว่าอ้อยสวนป่าเป็นอ้อยไม่ไม่ได้อ้อยแบบมันหวานอะไรนะขบไปจะเข้าเนี่ยขนาดนั้นก็ไปลักโอถูกจับเนี่ยทุกข์ที่สุดในโลกเลยนะไอขนาดที่ไปหักเนี่ยใจก็สูงสูงต่ําๆำตึงตงต่ำต่ำโอ้ยทุกข์จริงๆนั่นก็เรียกว่าลักโดยทุกขเวทนาบางทีเนี่ยเคยลักตะตังแม่เหมือนกันโอ้ยแม่มาหรือเปล่าเนี่ย ใจตรงๆกำตังมๆกำตั้นไะบาท้องบาทแค่นั้นแหะไม่ได้เยอะอะไรหรอกแต่ว่าใหญ่โตแล้วกบางคนก็ถ้าไม่ไม่ไม่เคยทำเรียกว่าไม่ใช่นักหยิบฉวยมืออาชีพนะจะทำแล้วก็ความทุกข์จะเกิดในขณะนั้นแต่ถ้ามืออาชีพนะทำโดยสายตายิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยน่าใช่นั่นแหละตีหน้าตายนั heads, hes, Mother, no ่นแหละอันเวทนาเนี่ยสามอย่างในขณะที่ลักขโมยเนี่ย แล้วก็โดยมูลอธินาทานเนี่ยมีมูลสองด้วยอํานาจแห่งโทสะและโมหะหรือด้วยอํานาจแห่งโลภะและโมหะก็คือแสดงว่าการลักนั้นเนี่ยโมหะมูลจิตไม่ลักสังเกตจากตำนวนตรงนี้แล้วโมหะมูลจิตไม่ขโมยก็คือท่านบอกว่ามีมูลสองใช่ไหมในขณะที่เป็นโทสะกับโมหะในขณะที่เป็นโลภะกับโมหะหรือวิจิกิจช้าอยู่เนี่ย ขณะวิจิกิจฉาคิดจะเอาของของคนอื่นเนี่ยคงยากะนะเนอะหรืออุทจจะสัมปยุทธอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะฉะนั้นในขณะที่อธินาทานเนี่ยนะรักด้วยอำนาจโลภะกับโทศมีมูลสองโดยกรรมอธินาทานเป็นกายกรรมกายกรรมแต่ว่าล่วงทางวาจีทวานก็ได้กายทวานก็ได้กรรมกับทวานนี่คนละอย่างนะต้องไม่ลืมว่ากายกรรมมี สวจีกรรมมีสี่มนโนกรรมมีสามปานาติบาตอธินาทานการเมสุมิจฉาจารกรรมเป็นกายกรรมแต่ล่วงทางกายทวารก็ได้เช่นปานาติบาจชไม่ฆ่าเนี่ยฆ่าด้วยตัวเองก็ได้ใช้ผู้อื่นฆ่าก็ได้เรียกว่าวจีทวารตัวกรรมเป็นกายกรรมแต่ล่วงทางวจีทวารทีนี้โดยผลของกรรมโดยผลผลก็ให้เกิดในอบาย และให้ผลที่ไม่น่าปรารถนานานาชนิดทรัพย์สินเสียหายน้ําท่วมไฟไหม้เป็นต้นเนี่ยนะส่วนหนึ่งเป็นผลของอธินาทานที่จะต้องทรัพย์สินเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ะมีรถก็เสียหายมีบ้านก็เสียหายมีอะไรก็เสียหายประเภทเนี้เรียกว่าเป็นผลของอธินาทานมันพุทธพจน์ึกล่าวว่าบุคคลทํากรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังเป็นผู้มีหน้าชุ่มด้วยน้ําตา ร้องให้สเสวยผลของตำใดยอยู่ตำนั้นอันบุคคลกระทำแล้วไม่ดีเลยเวลาจะทำอะไรก็ให้คิดสักนิดหนึ่ง น, นะถ้าจะให้ผลเนี่ยจะให้ผลอย่างไรถ้าให้ผลเป็นทุกข์เอาไหมอย่างเงี้ยันเราจะได้เลือกจะได้คัดทำได้แต่ถ้าไม่เลือกไม่คัดนะเดี๋ยวก็น้ำตาโชคโชคอยู่นั่นแหละ บางคนเนี่ยรถเสียหายใช่ไหมมีรถรถเสียหายก็น้นําตาไหล ท, ทุกข์มากมีบ้านบ้านเสียหายไฟไหม้เนี่ยสมมติว่าไฟไหม้เพิบเนี่ยนะส่วนใหญ่เจ้าของบ้านเนี่ยนะบางคนเนี่ยก็แทบล้มทั้งยืนนี่ยนะสลบไปเลยส่วนใหญ่จะเสียใจมากหรือว่าเจ้าของรถรถชนกันปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่จะทำใจไม่ได้เขาเฉียวหน่อยปั๊บเนี่ยโหก็ทำใจไม่ได้นะ้เพราะฉะนั้นผลของกรรมอะส่วนใหญ่จะให้ผลเนี่ยหน้าชุ่มด้วยน้ําตา ทำแล้วไม่ดีบุคคลทํากรรมใดแล้วย่อมไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเป็นผู้เอิบอิ่มมีใจดีย่อมสเสวยผลของกรรมใดกรรมนั้นแลอันบุคคลทําแล้วก็เป็นกรรมที่ดีน่าทํามากหรือบางคนจะบอกว่าโอ้โหผมจําเป็นนะที่ผมจะต้องลักต้องของโมยคอรัปชันนะ่ะทุจริตยักยอ่อคดโกงอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งกรรมเหล่านั้นเนี่ยนะบางคนเนี่ย ในขณะที่ทําก็อ้างเหตุผลต่างๆนานาใช่ไหมผมมีพ่อมีแม่ต้องเลี้ยงดูอ่ะผมมีบุตรภรรยาจะต้องเลี้ยงดูผมมีมิตรอมตญาติสหายต้องเลี้ยงดูผมจะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงค้องอ่ะผมทําไม่ทําอย่างนี้จะได้กินได้อย่างไรใช่ไหมที่ภาษาดิบถามว่าเออถ้ากรรมอันนี้มันให้ผลเนี่ยนะสมมติว่าไปสู่สํานักยมบาลแล้วเนี่ยไปอ้างได้ไหมเออที่ผมเขารกขโมยเป็นต้นเนี่ยนะผมทําเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อลูกเพื่อเมียนะ ยมพบาลจะได้ลงโทษเลยยมพบาลเอาไหมไม่ยอมหรอกก็ก็นึกถึงอชายคนหนึ่งอนะเขาเขาไปไปไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งนะทีนี้ไอ้เขาเนี่ยเขาฐานะไม่ดีก็ไปจีบผู้หญิงที่มีฐานะมากหน่อยอะแต่ก็เข้าไปมาดคนมีฐานะนะจนถึงว่าคบกันนานเสร็จแล้วก็ไปสู่ขอเพราะสู่ขอสินสอดเนี่ยเป็นแสนนะทีนี้ตัวเองจริงๆก็ไม่มีอะ่ะไปตกปากรับปากรับคาอะ่ะทําไงอะ่ะ ปล้นธนาคารนะเสร็จแล้วก็ถูกจับได้พอถ้าถูกจับได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะไปอ้างกับศาลได้ไหมผมจะต้องแต่งงานนะถ้าผมไม่ปล้นแะล้วผมจะได้แต่งหรอยเงี้ยผมรักเข้ามากอย่างเงี้ยถามักศาลยอมไหมจําคุกไปยี่สิบปีงี้มันท่านผลของอาทินาทานนะถ้ามันชั่วแล้วนะเราจะเอาเหตุผลอย่างไรมาอ้างว่าช่างเถอะมันก็คือบาปอากุศลทัานคนในยุคทุวันเนี่ยส่วนหนึ่ง ทำชั่วแล้วก็หาเหตุผลต่างๆมาปลุกปลอบใจตัวเองเพื่อที่จะได้ทำบาปต่อไปวิธีทางอื่นซึ่งมันไม่ต้องบาปกรรมมากขนาดนั้นก็มีอยู่ั น, นให้เรารู้จักพิจารณาหน่อยของบางอย่างถึงจะดีก็จริงแต่ถ้ามาด้วยด้วยสิ่งที่เป็นโทษได้มาด้วยบาปอากุศลสิ่งนั้นน่ะถึงเรียกว่าดีมันก็ดีอยู่ไม่นานมันอันตรายเหมนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะให้ผลเนน้าตาไหล ทีนี้กรรมมันนั้นเนี่ยพอลืมไปพับมันให้ผลเนี่ยนะส่วนใหญ่พวกกําลังนึกนึกอยู่มันไม่ค่อยให้ผลนีบางทีอ่ะลืมไปแล้วมันจึงให้ผลพอมันให้ผลปั๊บนะคร่ํามควรเอ๊ะมาได้ทําเวรทํากรรมกรรมอะไรมาให้ผลหนกัก น, นะส่วนใหญ่เนี่ยกรรมมันส่วนหนึ่งมันจะให้ผลแล้วลืมเช่นอ่าเราเอาขนุนมาสักมเมล็ดหนึ่งไงเอามาปลูกอ่ะรดน้ำพรวนดินเช้าเย็นเช้าเย็นเมื่อไหร่มันจะออกลูกก็พิงอ่ะนะเร่งอยู่นั้นก็ไม่ออกก็พินนง ลืมไปสามสี่ปีห้าปีผ่านไปมันออกลูกเออขนุนนี่มันออกลูกเหมือนกันนะมาไงเนี่ยบางทีปลูกก็จะลืมเลยอ่ะพอไปดูอีกทีอ่ะวได้ลูกไปแล้วฉันนายพวกกรรมเหล่านี้ก็เหมือนกันอนันกรรมที่ทําแล้วให้ผลทันทีภายในเจ็ดวันนั้นอ่ะก็คือกรรมประเภททํากับท่ารหารันการให้ทานกับท่ารหันที่ออกจากนิโรธสมาบัตินะ่ะนะอันนั้นจะให้ผลภายในไม่เกินเจ็ดวันหรือว่า อริยมรรคสมาธิเนี่ยก็ให้ผลในขณะนั้นเลยส่วนกรรมที่เหลือเนี่ยนะก็ใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยชาวนะดวงที่หนึ่งให้ผลในชาตินี้อะ่ะดวงที่เจ็ดให้ผลในชาติหน้าสองถึงหกให้ผลในชาติที่ชาติที่สามเป็นต้นไปทีนี้เราคิดดูนะเรานี่อยากจะร้องเรียกให้มันให้ผลเร็วเลยใช่ไหมตอนทําดีบ้างเหรอร้องเรียกมันให้ผลเร็ ว, รวหน่อยนะตอนทำดีนะ แต่ถ้าหากว่ามันให้ผลอย่างนั้นนะดีกับไม่เด่นไหนมากกว่าแล้วจะจะให้มันให้ผลเดียวเอาไหมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนี้ยไม่ค่อยๆตามกฎของมันนั่นแหละกนดีแล้วไม่ใช่ไปเร่งได้ถ้าเร่งได้ก็คือผู้ที่เข้าใจเรื่องประโยคะขบางอย่างกามก็จะให้ผลดีทีนี้ต่อไปว่าบุคคลที่ทำกรรมชั่วไว้หนีไปแล้วในอากาศก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้ หนีไปในถ้ำกลางมหาสมุทรก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้หนีเข้าไปสู่ซอกเขาก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้เพราะเขาอยู่แล้วณนะประเทศแห่งแผ่นดินใดความตายพึงครอบงำไม่ได้ประเทศแห่งแผ่นดินนั้นหามีอยู่ไม่ในแผ่นโลกเนี่ยนะไม่มีที่ใดที่ไม่เคยมีสัตว์จุติทุกตารางนิ้วเลยไม่มีที่ไหนที่ไม่เคยมีตัตตายก็เหมือนกับพรามคนหนึ่งอนะ ก่อนจะตายนะก็ไปสั่งเสียลูกเลยลูกลูกต้องเอาพ่อเนี่ยไปฝังตรงนั้นนะไปเผาตรงนั้นนะที่ที่ไม่เคยมีคนเคยถูกเผาถูกฝังมาบอกที่ไหนพ่ อ, อว่าโอซอกเขานู่นอย่างไงพ่อพาไปดูหน่อยพ่อตายแล้วผมจะได้ไปถูกพ่อก็พาไปเลยตรงนี้ลูกพ่อตายแล้วถ้าจะเผาหรือฝังก็เอาตรงนี้นะก็ลงมาทูตเจ้าก็มาดักรอเผามาไปไหนมาอ้อไปบอกก็เล่าให้ฟังอ่ะนะ ไปที่ไม่เคยมีใครเผาใครฝังอยู่ตรงนั้นพระองค์ก็บอกว่าตรงนั้นเนี่ยศพท่านศพเดียวเนี่ยนะแปดหมื่นสี่พันครั้งแล้วอ่ะขนาดไม่เคยเผาไม่เคยฝังอันเนี่ยแปดหมืนสี่พันครั้งแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นที่ที่ใดที่ไม่ตายเนี่ยหายากผ้านนเท่านั้นแหละที่นิพพานในอากาศถ้าสัตว์ที่เหลือส่วนใหญ่ขนาดนกบินอยู่เนี่ยนะปืนบางอย่างยังใจขาดอยู่บนอากาศนะเนี่ยนกไปยังตายกลางอากาศเลยนะเพราะฉะนั้น บาปประกา ร, รที่บุคคลทำไปแล้วเนี่ยนะที่มันจะไม่ตามให้ผลเนี่ยหายากมากทีนี้ต่อไปว่าถ้าหากว่างดเวนอะอธทินาทานาปฏิวิรตโตเนี่ยนะสมาทานศีลดเวนจากอธทินาทานส่วนอื่นๆก็คล้ายๆกันกันกบปานาติบาสนั่นแหละทีนี้มาดูอา น, นิสงฆ์ของการรักษาศีลข้อสองนะถ้าผู้ที่สมาทานศีนข้อนี้ดีจะให้ผลอย่างไร ก็คือข้อหนึ่งนะมห า, นาธนทาญยตาความเป็นผู้มีทรัพย์และข้าวเปลือกมากก็คือทําให้เป็นคนมีทรัพย์อะนะใครอยากรวยก็ศีลประเภทนี้ก็รักษาดีๆหน่อยสองอนันตะโภคตาความเป็นผู้มีโภคะเป็นอเนกอนันต์นนก็คือมีเยอะอะแล้วก็สามธีรโภคตาเป็นผู้มีโภคะยั่งยืนอยากให้ทรัพย์มั่นคงขาวรหน่อยก็ศีลข้อนี้ก็ดีๆกันแล้วกัน สีอิชิตานังโภคานังคิปะปฏิลาโภการได้พวกทรัพย์ตามที่ต้องการอย่างฉับพลังถ้ามีบุญจริงๆเนี่ยนะจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าถ้ามีบุญระดับพระเจ้าจักรพรรดิเนี <int> ่ยบอกว่าต้องการใช้ทรัพย์กลางน้ําเนี่ยนะเสนาบดีฝ่ายขุนคลังเนี่ยล่วงเข้าไปในน้าเนี่ยดึงรับมาให้ใช้ได้เลยถ้ามีบุญจริงๆอ่ะไม่ว่าจะทรัพย์ในแผ่นดินทรัพย์ในน้ำซัพย์ในอากาศเนี่ยดึงมาใช้ได้หมดอ่ะถ้ามีบุญจริงๆ อันถ้าหากว่าคนที่บุญประเภทนี้ดีก็สามารถที่จะใช้ทรัพย์ได้ง่ายแสดงว่าคนยุคนี้มีบุญมากนะใช่ไหมเสื้อผ้าก็สอยเอาแล้วอะ่ะคนยุคนี้จะว่าไปก็มีบุญเยอะนะแต่ว่าดูท่าจะรักษาบุญได้ไม่ค่อยนานใช่ไหมน้อมเอาผลของบุญไปทําบาปก็ส่วนหนึ่งเลยอะ่ะก็น่าหน้ า, ห น, า, ห, นาหน้าท้องสาเนี่ยนะคละ้ายๆกับว่าปลูกต้นไม้ผลมันออกมาดีแล้วเสร็จก็เก็บผลไม้ด้วยหักกิง่งหัก อะไรไปด้วยนะดงั้นคนส่วนหนึ่งเนี่ยนะยุคนี้เนี่ยก็ผลแห่งกรรมดีก็ให้ผลเนี่ยสบายแต่และในขณะเดียวกันก็ทํากรรมชั่วไปด้วยในตัวเพื่อที่จะทําลายเหมือนกับการหักกิ่งใบเหมือนกับการขุดรากถอนโคนนะนะแล้วต่อไปนะราชาทีหิอสาธารณโพคาตาการมีโภคะไม่ทั่วไปกับพระราชาเป็นต้นถ้าหากว่ามีบุญศีลข้อนี้ดีเนี่ยนะ ไทยก็มาปล้นไม่ได้เป็นต้นก็คืออย่างเช่นโจรก็ลักไม่ได้น้ําก็ไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหมลูกจังไรก็ไม่พลานเังงั้นถ้าหากว่าศีลข้อนี้ดีนะแต่ถ้าศีลข้อนี้ไม่ดีเชืเอ่ออขนาดเอาไปซุกเอาไว้เนี่ยพวกยังตามหาเจออีกเลยซ่อนไว้ตรงไหนพวกรู้หมดอะ่ะเขาบอกว่าไอ้หีบนะพวกหีบพวกอะไรนะสมมุติว่าเรามีสตังสักหลายๆเนี่เยอะๆหน่อย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 โทษของวาตาเนะเห็นโทษหรือเปล่ารับกรรมเก่าทํากรรมใหม่รับกรรมเก่าทําใหม่นั่นนะ่ะเนาะไม่จบไม่สิ้นนา ท, ทีนึงต่อไปนะถ้าหากว่ารักษาศีลข้อนี้ดีอุลารโภคตาเป็นผู้มีโภอคาโอลานเรียกว่ามีอะไรก็มีแต่ของใหญ่ๆอ่ะนะแล้วก็ต่อไปตัทฐเชธกะพาโวความเป็นหัวหน้าในที่นั้นๆเป็นใหญ่เป็นโตได้นะต่อไปก็นัทถีภาวัสะอาชานันตา ความเป็นผู้ไม่รู้จักคําว่าไม่มีเกิดมาเนี่ยถามหาอะไรเนี่ยมีหมดเลยนะแต่แถวแถวเขตแถวบ้านอันมาเนี่ยถามอะไรมีไม่มีสักอย่างเลยนะถามไม่น่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีนั่นก็ไม่มีโอ้มีแต่คําว่าไม่มีตลอดเลยันเกิดมาไอ้คาว่าไม่มีเนี่ยได้ยินมากที่สุดแสดงว่ากรรมประเภทนี้เราทํำอะไรนะมันทับบุญดีๆเนี่ยนะไอ้คําว่าไม่มีเนี่ยไม่ได้ยินหรอกเหมือนกับพระอนุรุทธะใช่ไหม อดีตชาติเนี่ยเกิดเป็นนายอันนาพาราเนี่ยโว้ยจนมากอ่ะเขาเที่ยวกันไม่มีโอกาสเที่ยวอ่ะเขาวันหยุดเนี่ยเราไม่มีหยุดอ่ะทำงานตลอดเหน็ดเหนื่อยอาบเหงือ่อตางน้ําอ่ะอาเชพอะไรเกี่ยวญ้าเกี่ยวญ้าให้มาทีนี้ก็ก็วันหนึ่งอ่ะนะพระเนี่ยเดินผ่านไปพระประเจกเดินผ่านแล้วก็มีศรัทธาขึ้นมาโว้ยตอนที่เรามีทรัพย์ก็ไม่มีพระตอนมีพระก็ไม่มีทรัพย์ บางทีก็มีศรัทธาแล้วพระไม่มาก็มีของมีแล้วก็มีทีนี้โอ้วันนี้ได้ราบแล้วแหละทีนี้ก็ไปให้ทานกับพระประเจกแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าไอ้คาว่าไม่มีเนี่ยอย่าได้ยินอีกต่อไปรู้สึกว่าเกิดมาเนี่ยคําว่าไม่มีเนี่ยฟังจนน้าเบื่อนะข้าวมีไหมหมดแล้วเงี้ยไม่มีเงี้ยทําประเภทนี้แฝงกันนะได้ยินบ่อยๆเข้าเนี่ยอังก็เลยอคําว่าไม่มีเนี่ยอย่าได้ยินอีกเลยก็บอกว่าชาติสุดท้ายของท่านมาเกิดเป็นพระอนุรุธทธะ น, นะ ใครเคยกินขนมนไม่มีมั้งกนะ็ม <i> ีครั้งหนึ่งนี่พอมาเกิดเป็นเจ้านรุทธาเนี่ยนะเป็นคนที่รู้อย่างเดียวว่าข้าวสุกเนี่ยเกิดในในจานข้าวสุกเนี่ยเกิดในจานทองคําด้วยนะเป็นกา ษ, าษาัตริย์อ่ะข้าวสุกเกิดในจานทองคําเหมือนกันเพื่อนๆคนหนึ่งก็บอกว่ารู้ไม่จริงข้าวสุกมันต้องเกิดในหม้อสิคนหนึ่งบอกรู้ไม่จริงอ่ะข้าวสุกมันก็ต้องเกิดในช้างเหมือนกันตายช้างมา ก, นะก็คือ เวลาจะหงสมัยก่อนนี่เขาเอามาตำใช่ไหมไปเปิดช้างมาเอามาคลองอามาตำก่อนแต่อนุรุธาเนี่ยพิเศษกับเพื่อนเนี่ยหูข้าวสมเกิดในถาดทองคำํำนะหิวเมื่อไหร่ก็เปิดได้กินเลยในชะ่ไหมมีบุญมากทีนี้มีส่วนหนึ่งเขาชอบเล่นขลป ก, กันเป็นการเล่นการพนันชนิดหนึ่งเหมือนกันเล่นกับเพื่อนๆ น, น, นะทีนี้เจ้าอนุรุธาเนี่ยเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เล่นมีแต่เสียเสียเขาใช้ขนมเล่นเอาขนมกันใคร ชนะก็ได้ขนมไปก็เล่นไปกินกันไปนั่นแหละทีนี้เล่นวันนั้นเนี่ยเล่นแพ้บ่อยมากสองสามครั้งก็ใช้ให้คนใช้เนี่ยไปเอาขนมที่วังอ่ะทีนี้ครั้งที่สามที่สี่ก็บอกว่าแม่ก็บอกขนมไม่มีคนใช้ก็ไปบอกขนมไม่มีเออเอาขนมไม่มีอะมาอพราะเกิดมาไม่เคยได้ยินคําว่าไม่มีเลยนะเอาขนมไม่มีอะอามาแม่ก็อยากจะสอนลูกไอ้ไม่มีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะก็ล้างถาบอย่างดีเลยสะอาด แล้วก็เอาถาดทองคาอีกใบหนึ่งมาปิดนะส่งไปให้ลูกเนี่ยไม่มี แ, มแปลว่าอย่างนี้นะมันว่างๆอะ่ะที น, นี้ก็บอกว่าเดือดรอ้อนนึงเทวดาอีกนะเทวดานี่ต้องมาใส่ของทิพย์ลงไปอะ่ะถ้าไม่ใส่ไปเนี่ยหัวแตกเนี่ยกระว่ามีโทษมากคนมีบุญเดือดร้อนไม่ช่วยเหลื อ, อมีโทษเทวดาก็ต้องเอาขนมทิพย์ไปเสร็จแล้วก็หูเปิดเนี่ยหอมทั้งเมืองเลยนะโอ้อร่อยจริงๆเลยแม่ทองสายแม่รักเราเราไม่เคยเอาขนมชนิดนี้มาให้เรากินเลย พอเย็นก็ปรับไปหาแม่แ ม, แม่แม่ไม่รักหนูเลยว่างั้นไม่รักผมใช่ไหมว่างั้นทําไมลูกพูดอย่างนั้นอ่ะก็แม่ไม่เคยทําขนมแบบนี้ให้ลูกกินสักทีเลยะแม่นี่งงวขนมยังไงวะเนี่ยก็ถามคนใช้บอกว่าหิวไปพอเปิดมาก็มีแต่ขนมเลยทีนี้บอกว่าแม่ผมไม่กินขนมอย่าง อ, างอางื่นเลยจะกินแต่ขนมชนิดนี้ว่างั้นจะทานแต่ขนมไม่มีอ่ะถ้ามีบุญแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเนาะมันจะมีหมดแหละแต่ถ้าไม่มีบุญเนี่ยโอ้ยข่าว่าไม่มีเนี่ยได้ยินจะจน เป็นคำปกติเลยนะต่อไปนะก้าวสุขาวิหารตาความเป็นผู้อยู่อย่างสบายคือไม่ต้องไปเดือดร้อนใจในเรื่องทรัพย์สินเนี่ยนะบางคนเนี่ยก็เรื่องทรัพย์สินนี่แหละกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยบางคนเนี่ยทานก็ให้นะอาทินาทานก็เอาทานก็ให้อธินาทานก็ลักเพราะฉะนั้นเวลากรรมให้ผลอรวยก็รวยทรัพย์สินก็เสียหายที่เนี้ยอที่รวยก็รวยไปทรัพย์สินเสียหายก็มานั่งกลุ้มอกกลุ้มใจนั่นแหละบางคนก็เป็นอย่างนั้นเลย ทั้งรักทั้งทําบุญเน่ยนะทานก็ให้รักก็รักเหมือนโจรสมัยก่อนใช่ไหมปล้นเอามาแจกชาวบ้านอนะไรปล้นมาแจกคนโจนอย่างเงี้ยความคิดของโจรบางทีก็เป็นลักษณะนะั้นที่ปล้นก็อย่างหนึ่งให้ทานก็อย่างหนึ่งคนละขณะกันแต่ว่าวัตถุทานใดก็ตามที่ได้มาด้วยการรักเป็นต้นของนั้นนะมาทําบุญบุญไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากอะไรถ้าหาว่าของนั้นได้มาบริสุทธิ์นะได้มาโดยชอบทำเนี่ย ถึงข้าวถ้าพียเดียวมันก็บุญเนี่ยหาประมาณไม่ได้เพราะว่าคนไม่มีศีลกับคนมีศีลให้ทานอันไหนได้บุญมากกว่าผู้มีศีลเนี่ยได้บุญมากกว่าเพราะว่าเราต้องไม่ลืมนะว่าบุญก็คือสภาพของเจตนาที่คิดจะให้ส่วนหนึ่งนะคนทำไมนี่เชียรว่าโ อ, อ้โหทําบุญร้อยหนึ่งก็ต้องไม่บุญมากกว่าบาทหนึ่งยังไงเอาวัโถุเนี่ยมาแข่งกันใครทําบุญหมื่นหนึ่งก็ได้บุญมากกว่าร้อยหนึ่งก็เอาพวกเนี้ยมาโฆษณาเลย มีโศกเสียงคทองไหนก็มาประกาศยายคนนั้นทำบุญเท่านั้นแปะชื่อไว้ตรงนั้นเนี่ยคนนี้เห่กันใหญนะ่จะได้บริจาคจนเขามีบางแห่งเนี่ยนะเอาชื่อของคุณเนี่ยจะอยู่ได้อีกเป็นพันพันปีระวงังกันประกาศขายบุญกันคนเนี่ยแห่ไปบริจาคเป็นเต็มไปหมดนี่ก็ไม่รู้ว่าบุญมันคืออะไรก็ก็เข้าใจผิดพอทำเสร็จแล้วเดือดร้อนใจในภายหลังอีกทำเสร็จแล้วก็รักษาใจไม่ได้ดังั้นคนที่ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักกรรมและผลของกรรมจริงๆทำบุญเสร็จรักษาใจไม่ได้ ที่เสียหายมากก็คือรักษาใจไม่ได้บางคนเนี่ยทําเสร็จแล้วก็ทําเจาะจงอ่ะนะไม่รู้จักทําแล้วเผื่อแผ่อย่างเช่นให้ทานกับที่สู่รูปใดรูปหนึ่งเจาะจงพอท่านเหล่านั้นเปลี่ยนไปก็อุ้ยจะเป็นจะตายให้ได้เลยร้องให้มึงคนก็ถึงกับเปลี่ยนศาสนาเนีนับถือพระหรือนับถือพศาสนาก็ไม่รู้นะยังงงกันยิ่งข่าวคราวตอนหลางๆมาเนี่ยพระเสียหายกันหลายรูปอ่ะนะพวกที่ทําบุญแบบปาฏิบุตลิ ก, กาทานก็ทําใจกันไม่ได้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 ถ้าเกิดมันเสียหายเราทำใจได้ไหมเราต้องฝึกคิดในลักษณะนี้บ่อยๆจะไปเหมือนกับเศรษฐีท่านหนึ่งอ่ะในศาสนาของพระผู้มีพระภาคองค์ก่อนอนะ่ะเวลาให้ทานเนี่ยนะจะให้ขาดจริงๆไม่ได้นึกเสียใจเลยอะ่ะที่ที่เศรษฐีคนนี้ก็ไปให้ทานสร้างกุติเนี่ยถวายพระพุทธเจ้าเป็นกุฏิมีมูลค่ามากเป็นโกดนั่นแหละเป็นสิบสิ บ, สบล้านอัลังนึ่ทีนี้เศรษฐีนี่มีศัตรูคนหนึ่งศัตรูก็มาเผากุฏิ ทั้งๆ ท, ที่กุฏิหลังนี้เนี่ยเศรษฐีเนี่ยรักมากเพราะเป็นกุฏิที่สร้างถวายพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพอไฟไหม้เนี่ยครับถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะร้องไห้เลยใช่ไหมโอ้เสียหายมากเศรษฐีเนี่ยตกมือดีใจเลยเนะี่ยบอกทําไมอะ่ะเขาบอกอ้าบุญที่ทําไำมันก็เสร็จไปแล้วใช่ไหมกุฏิเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลกุฏิเป็นอัพยากตา<笑><笑>ใช่ไหมตัวกุฏิเองเนี่ยเป็นอวินิโพโยครูปเท่านั้นเองเหรอไม่ใช่กุศลอกุศลอะไรหรอก มันแล้วแต่จิตนะโจนเนี่ยคิดจะเผาเป็นกุศลเศรษฐีคิดจะสร้างเป็นกุศลมันคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองว่าวัตถุที่ทําให้ทานไปเป็นต้นนะ่ะสิ่งนั้นคืออัพยากะตะทำตัวนั้นไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปหลังถ้าหากว่าให้แล้วไม่เดือดร้อนใจในภายหลังนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสารเสริญพระเวสสันดรเนี่ยนะขอพรข้อหนึ่งเลยนะให้ทานแล้วไม่พึงเดือดร้อนใจในภายหลังการรักษาใจใน ในการหลังทําไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุดบุญนั้นจะมีผลมากหรือไม่มีผลมากก็อยู่ที่การรักษาใจหลังจากการการให้ไปแล้วอภิราปริยะเจตนาเนี่ยสาคัญมากแต่ว่ากรรมนั้นจะเป็นญานสามประยุตหรือวิประยุตก็ในขณะที่เป็นมุนชนะเจตนาเจตนาที่กําลังให้ถ้าให้ขณะที่ให้ขณะที่ทําถ้าเป็นกุศลญาณสามประยุตผลก็เป็นญาณะสามประยุต แต่กรรมนั้นจะมีผลมากหรือไม่มีมากก็แล้วแต่อปปราปะเจตนาก็คือการรักษาใจเมื่อทําไปแล้วการรักษาใจเนี่ยนะใจใครก็ใจใครรักษาเอากันแล้วกันถ้าคนฉลาดก็รักษาใจใช่ไหมแต่คนไม่ฉลาดก็รักษ า, ใใากุฏิกุฏินจะไปรักษาใใได้ยังไงไฟก็ไหม้แล้วใช่ไหม น, ไน้ําก็ท่วมคือถ้ามีศรัทธานะท่องได้แน่นอนคือถ้ามีศรัทธาที่จะท่องนะขอมาเชื่อว่าใครก็ท่องได้เพราะอะไร ลูกเรายังจ sure well, we ําชื่อได้อะพระธรรมถ้าเราคิดว่าพระธรรมดีมากเราก็ต้องจําได้แต่ถ้าเราจําบอกว่าเออพระธรรมก็ยังไม่เท่าไหร่ถ้าอย่างงี้ยังไงก็จําไม่ได้ถ้าบอกว่าความคิดของเรานะถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้นะแค่มีศรัทธานิดหนึ่งเราก็ทําทําได้แต่ถ้าไม่มีศรัทธาที่จะท่องเลยนะสามคำก็ท่องไม่ได้ถ้ายิ่งเชื่อบอกฉันคงท่องไม่ได้อันนี้แหละบอกว่ามันมันไม่ได้ทางกระต้นเหมือนกับจําชื่อคนเหมือนกัน ถ้าเชื่อว่าตัวเองจําไม่ได้ยังไงก็จะจําไม่ได้มันแล้วแต่แนวความคิดตรงนี้นะแล้วแต่ทัศนคติเหมือนกันเพราะธรรมชาติที่จําเนี่ยไม่ใช่สมองเป็นตัวจําสัญญาเจตสิกทําหน้าที่ทําหน้าที่จําจะจําได้หรือไม่คือจะจําได้ในสิ่งนั้นนะมันจะมีปัจจัยอยู่สองตัวหนึ่งสิ่งนั้นเป็นอา ร, รมณนาที่ปติไหมแล้วสองในขณะที่จําเนี่ยเป็นสหาชาตาที่ปฏิไหมนั่นะก็คือตระกูลที่ปฏิปัจจัยเช่น ทำไมเหตุการณ์บางอย่างเราตกใจแล้วเรามาเล่าได้เพราะในขณะนั้นมีสหชาตาธิปติโทรศัพท์มีที่ประดีไหมมีทธิประดีคือหนึ่งฉันทะวิริยะและจิตตะอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็สามารถที่จิตในขณะนั้นก็สามารถที่จะจําได้สองอารมณ์นั้นเป็นอารมณนาธิปติอารมณ์ที่หนักเครียกว่าที่น่าปรารถนาที่น่าฝักใฝ่นี้ก็จะเป็นเหตุให้จําได้เพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกฝังสองอย่างนี่นะหนึ่ง ปลูกังให้จิตเราเนี่ยประกอบไปด้วยฉันทาธิปฏิวิริยาธิปฏิจิตตาธิปฏิหรือวิมังสาธิ่ปติเราก็จะจําได้นี้ในหนึ่งอีกในหนึ่งก็ให้อารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่ที่น่าฝักใฝ่ที่น่าปรารถนามากปลูกใจรักอย่างแรงกล้าเราปลูกฉันทะอย่างแรงกล้าในอารมณ์นั้นนั้นเราก็สามารถที่จะจําได้แต่สําคัญที่สุดก็คือทัศนคติเบื้องต้นก่อนเชื่อไหมว่าเราจําได้กันถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้มันก็ทําได้แต่เชื่อว่าทําไม่ได้ ยกมือขึ้นนี่ทำไม่ได้แน่ยกมือจะยกไม่ไหวอน่นะถ้าไม่เชื่อนะวันนี้ก็คงใช้เวลากันเท่านี้นที่นี่เลยไปหาสีนอีกข้อหนึ่งนึ่นก่อนเนาะการเมสุมิชาจาร์สีนข้อนี้เนี่ยมีความสำคัญมากต่อไปนะการเมสุได้แก่เมทุนสมาจาร์การประพฤติ ท, ที่น้าตำเนินะ ก็บอกมิจฉาจาโรโอได้แก่อาจาระอันลามกที่ท่านตําหนิไว้โดยส่วนเดียวแต่โดยลักษณะเจตนาที่คิดจะล่วงละเมิดอักมนียฐานคือฐานะที่ไม่ควรล่วงละเมิดอันเป็นไปแล้วทางกายทวารด้วยความประสงค์จะเสพอาศรธรรมชื่อว่ากาเมสุมิจฉาจารหญิงที่เป็นอักมนียฐาน20่สิบท่าณที่ไม่ควรเกี่ยวข้องของบุรุษหญิง20ประเภทเนี่ยผู้ชายไปเกี่ยวข้องไม่ได้เลย ผู้ชายใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับหญิงยี่สิบประเภทนี้เป็นกาเมสุมิชาจารนะหนึ่งหญิงที่มีมารดารักษาลูกมีพ่อมีแม่พ่อแม่ก็ดูแลอยู่หญิงที่บิดารักษาหญิงที่ทั้งมารดาและบิดารักษาหญิงที่พี่ชายน้องชายรักษาพี่สาวน้องสาวรักษาญาติรักษาตระกูลรักษาธรรมารักษาหญิงที่รับมัน่นแล้วหญิงที่กฎหมายคุ้มครองโอ้ดูท่าแล้วนะนอกจากเมียตัวเองละมั้ง ให้เราให้สันโดษกับบุตรภรรยาหน่อยเท่าไงแล้วก็หญิงอีกสิบประเภทก็คือหญิงที่ภรรยาที่ซื้อมาด้วยทรัพย์เป็นต้นก็คือถ้าเป็นคนคนสมัยโบราณนี่ยนะจะมีภรรยาที่ซื้อไถามาด้วยทรัพย์คล้ายๆกับไปเป็นทาสใช่ไหมไปเป็นทาสบ้านโน้นอยู่เราก็ไปซื้อทาสมาก็คือเอามาเป็นภรรยานั่นเองหรือภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจภรรยาที่อยู่ด้วยโภคะ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 ทั้งหมดนั้นน่ะผู้ชายห้ามไปล่วงละเมิดถ้าล่วงเมื่อไหร่ก็ถือว่าผิดศีลบวชนี่ดีที่สุดนะดูท่าแล้วต่อไปนะแต่ว่าบุรุษอื่นเนี่ยนะเป็นอัคมนียฐานของหญิงสิบสองประเภทหญิงสิบสองประเภทเนี่ยนะถ้าไปผิดกับชายอื่นเมื่อไหร่ผิดศีลหญิงสิบสองประเภทก็คือหญิงตั้งแต่ข้อไหนในในหน้ายี่แปดนะ ในข้อเก้าเป็นต้นมาเนี่ยหญิงประเภทนี้ไปผิดกับชายอื่นเมื่อไรถือว่าผิดศีลแต่ถ้าข้อหนึ่งถึงข้อแปดตัวเองไม่ผิดศีลไม่ผิดเป็นกาเมสุมิชชาจารนะสมมติถ้าเราอยู่กับพ่อแม่เราไปผิดกับชายอื่นเป็นต้นก็ไม่เป็นไรแต่ชายอื่นนี่มาผิดกับเราเนี่ยผิดผิดศีลแต่ถ้าหากว่าเรามีคู่มั่นอยู่แล้วมีกฎหมายคุ้มครองอะนะคือกฎหมายคุ้มครองคล้ายๆกับพระราชาเขา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 มิฉาจารนี้ชื่อว่ามีโทษน้อยในเพราะอักมนิยฐานที่เว้นจากคุณงามความดีมีศีลเป็นต้นถ้าไปสมมุติผู้ชายไปผิดกับผู้หญิงที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็บาปน้อยหน่อยไม่ใช่ไม่บาปนะบาปน้อยหน่อยแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเนี่ยไปร่วมกับคนมีศีลมีธรรมก็บาปมากอันหนึ่งแม้อักมนิยฐานที่ปราศจากคุณความดีมิฉาจารของผู้ประพฤติผิดเพราะการขมขืนก็มีโทษมาก ถึงไม่มีศีลแต่คมคืนก็มีโทษมากเชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะคนทั้งสองมีฉันทะร่วมกันถ้าทั้งคู่เต็มใจก็ไม่ใช่ไม่บาปนะบาปน้อยหน่อยนั้นเองเ <c oughs> มื่อคนทั้งสองมีฉันทะร่วมกันการเมสุมิจฉาจาร์เชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะกิเลสและความพยายามอ่อนเชื่อว่ามีโทษมากเพราะกิเลสและความพยายามแรงกล้าแล้วแต่กําลังของกิเลสในขณะนั้นนั้นนะ บาปกรรมในการล่วงเกินภิกษุณีผู้เป็นพระขีนาศถึงขั้นมิจฉาจารมีโทษมากก็เหมือนกับนันทามารลบอะไปข่มขืนทานางอุบลวรรณเถรีเนี่ยนะพอพ้นสายตานางปับ๊บแผ่นดินสูบเลยแผ่นดินแยกมาตกนรกอเวจีเลยนะทีนี้ในคาถาธรรมบทบอกว่านาราผู้ชอบเสบพภรรยาคนอื่นย่อมถึงฐานะสี่อย่างคือการได้สิ่งที่ไม่ใช่บุญ สองการนอนไม่ได้ตามความปรารถนาะแปลกนะคนผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับจริงๆอันนี้นี่นี่รู้จักเลยจากคนหนึง่งอะไอกรรมประเภทนี้หคล่ อ, องจริงๆเลยเสร็จแล้วนอนไม่ค่อยหลับอ่ะกลัวเป็นคนกลัวที่สุดเลยไอศีลป์นคนนี้เนี่ยผิดประจําอีกเหมือนกันเขาบอกว่านอนไม่นอนไ ม, ไม่ไม่ได้ตามความปรารถนาะก็คือโรคนอนไม่หลับจะมีสําหรับคนประเภทนี้และก็สามการนินทา สุดท้ายนี่ไม่น่าปรารถนาเลยนิระยะนิระยะแปลว่าไม่เจริญไทยๆใช้คําว่าเข้าใจดีอะเนาะก็คือนรกเป็นที่สีอ่อะเนาะไม่สนุกเลยอ่เนะี่ในถึงพระนร น, นท่านว่านะโอ้ยข้าพเจ้าทํากรรมในสมัยนั้นเหมือนกับคนไม่รู้จักตายก็าว่าไงเพลินสนุกหน้าดูเลยนะเหมือนกับตายไม่เป็นอ่ะเวลามันให้ผลเนี่ยกรรมประเภทนี้มาถูกตอเนี่ยมันสนุกที่ไหนอ่ะเนาะ <c oughs> กรรมชั่วไม่ทําเสียเลยดีกว่า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 วัตถุที่ไม่ควรเกี่ยวข้องถ้าผู้ชายก็ไม่ควรเกี่ยวข้องกับหญิงยี่สิบประเภทหญิงสิบสองประเภทก็ไม่ควรเกี่ยวข้องกับชายอื่นแล้วก็สองตัสมิงสวะณจิตตังมีจิตคิดจะเสพในอคนัมภิญาวัตถุนั้นแล้วก็สามเสวนปโยโคพยายามเสพสี่มัคเคณมัคะคะปฏิปฏิอธิวาสนังการยังมักให้ถึงมักอันนี้ไม่ใช่มัคกปัจจัยนะมัคอันนี้ เขบอกว่าชั่วมเมล็ดงาเดียวนี้ก็เป็นแล้วนะไม่ต้องลึกซึ้งมากมายหรอกการเมสูมิจฉาจานนี่มีประโยคเดียวคือสาหัสทิกะประโยคทําด้วยตัวเองเท่านั้นนะใช้ให้คนอื่นทําก็ไม่ผิดศีลตัวเองเนี่ยไม่ผิดศีลข้อตรงนี้นะแต่ก็ประเภทกรรมบทประเภทชักชวนให้คนอื่นทําเนี่ยไปผิดประเภทนะั้นถ้าหากว่ารักษาศีลข้อนี้ดีจะได้รับนิสงยังไงดูอนิสงของการงดเว้นดีกว่าเนาะ ใครสมราทานศีลข้อนี้เจ๋งๆเนี่ยหวังผลได้เลยเนาะหนึ่งวิคตับปจัจจทิกตาความเป็นผู้ปราศจากฆาสึกน่นก็ใช่อยู่แล้วนะคนที่ไปแอบยุ่งหลังครัวชาวบ้านเขามันยังไงศัตรูก็ต้องเยอะอยู่แล้วอะ่ะใครชอบบ้างอ่ะเนาะลูกใครใครก็รักลูกเมียใครใครก็หวงแห น, น่นะทีนี้คนอื่นที่ไปคิดเป็นอย่างอื่นอะ่ะไปทำอย่างอื่นกับสิ่งที่เขาหวงแหนน่ะมันก็ต้องประกาศศึกกันหน่อยใช่ม ต่อไปก็สองสัพพะสัตตานังตยมนาปตาความเป็นที่รักเป็นที่พอใจของสัพพะสัตทั้งหลายนะถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีเนี่ยไปที่ไหนใครก็ชอบศีลข้อนี้ไม่ดีนะพูดเขายังไม่ชอบเลยเห็นหน้าคนตั้บคนก็รังเกียจแปลงนะคนบางคนเนี่ยนะไปที่ไหนวงก็แตกตรงนั้นเลยทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยเลยไปที่ไหนวงแตกตรงนั้นอ่ะก็คือประเภทศีลประเภทนี้ด้วยนะอดีตเคยทําเหตุประเภทนี้เอาไว้อ่ะ สามอณนะตาณนะวัฏถัตฉาธนาทีนางลาพิตาความเป็นผู้มีปกติได้ของต่างๆเช่นข้าวน้ำผ้าและวัตถุเครื่องปกปิดก็คือได้ของใช้เยอะอ่ะทารักษาศีลข้อนี้ดีก็ข้าวของเครื่องใช้ก็มีเยอะหน่อย 4. สี่สุขสุปณตาหลับสบายผิดศีลข้อนี้ก็นอนไม่หลับอย่างที่ว่าไปแล้วก็ห้าสุขปฏิพุทธชนตาตื่นขึ้นมาก็สบาย 6. อะปายะพยาวิโมกขโหการพ้นจากภัยในอบายโอ้โหคาถาปิดนรกอย่างดีเลยนะปฏิบัติตามนี้ได้เนี่็สบายเลยนรกไม่ได้แอมลัตนะ่อไปนะอิทีภาวะนปุงสกภาวานังอภพภาตาความไม่ควรแก่การเกิดเป็นหญิงและเป็นกะเทยนี่ถ้าเป็นชายอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะได้ไปเป็นกะเทยสบายเลย แต่ถ้าเกิดเป็นหญิงบางทีเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะชอบความสวยความงามติดในเพศก็เลยเป็นหญิงไปไปอีกนอนอยงนั้นแต่บางคนเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะบางคนเนี่ยโอ้อยากเป็นชายทําบุญไปก็ปาถนาอยากให้เกิดเป็นชายเนี่ย ม, มีมีหลายคนรู้จักด้วยอ้อยากเป็นผู้ชายจะได้บวชทั้งนั้นแสดงว่ามียทะยาใยบางคนเนี่ยโอ้ไม่เอาแร้วเป็นผู้หญิงดีกว่าชอบแต่งตัวต่อไปนะอโกธนาตาความเป็นผู้ไม่โกรธ เออรักษาศีลข้อนี้ดีก็ไม่ค่อยโกรธนะศีลข้อนี้ไม่ค่อยดีจะเป็นคนนิยมโกรธโกรธบ่อยๆโกรธเนืองๆ เ, เป็นอัธยาศัยอยงงั้นเก้าสัจจการิตาเป็นผู้มีปกติทำจริงไม่หล่อแหลมอยงนั้นนสะิบก็อมังกุภูตาตาความเป็นผู้ไม่เก้อเขินก็คือแปลว่าไม่น่าด้านนั่นเองไม่เก้อเขินเก้อเขินก็คือน่าด้านอ่ะคือบางคนเนี่ยน่าด้านอ่ะ แต่ถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นคนหน้าด้านมีฮิริโอตา ป, ปะเป็นต้นแล้วก็เข้าสู่ที่ประชุมก็ไม่เก้อเขินแต่ถ้าคนผิดศีลประเภทนี้นะเวลาเข้าสู่ที่ประชุมเป็นต้นเนี่ยก็จะมันสะดุ้งอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยกล้าเข้าสู่ที่ประชุมต่อไปนะอาราธนาสุขนาความเป็นผู้มีความสุขด้วยการรับเชิญไปที่ไหนก็มีแต่คนรับเชิญอ่ะนะ แต่ถ้าผิดศีลประเภทนี้ใครอยากจะเชิญไปเยี่ยมบ้านเขาบ้าง น, น, นะกลัวนะเดี๋ยวเอาความซวยไปใส่บ้านเขาด้วยอ่ะแล้วก็ต่อไปปริปุลินดริยตาความเป็นผู้มีอินทรีย์บริบูรณ์คือเรียกว่ามีตาตาก็สมบูรณ์นะมีหูหูก็ดีมีจมูกจมูกก็ดีเป็นต้นเนี่ยศีลข้อนี้ดีก็ทําให้อินทรีย์บริบูรณ์ด้วยแล้วก็นิราสังกตาความเป็นผู้ปราศจากความระแวงเป็นคนที่ไม่ระแวง การรักษาศีลข้อนี้ดีไม่ระแวงบางคนนี่ระแวงนะผว้าอยู่ตลอดเลยก็คือเคยไปทําให้คนอื่นผวาไว้นะแะตัวเองก็ผวาวบ้างต่อไปก็อโปโสดุกาตาความเป็นผู้มีความพ้นขวายน้อยคือไม่ต้องลําบากอะไรมากนะักต่อไปก็สุขาวิหารตาความเป็นผู้อยู่อย่างสบายอยู่อย่างเป็นสุขแล้วก็อะกุตโตพยตาเป็นผู้ไม่มีภัยจากที่ไหนไหนไม่ต้องหวั่นภัยเลย แล้วก็ปิยวิปปโยคาพาววความเป็นผู้ไม่มีการพลัดพรากจากของรักเพราะว่าเราก็ต้องนึกนะว่าสีนประเภทนี้ถ้าผู้ใดไปล่วงละเมิดก็ทำให้คนนั้นนั้นก็พลัดพรากจากของที่เขารักนะสมมติว่าปัญหาการแตกแยกส่วนหนึ่งก็คือมักเป็นบุคคลที่ที่สามเข้าไปครอบครัวก็แตกแยกอันคนที่ทำเหตุประเภทนี้ไว้เวลากรรมประเภทนี้ให้ผลก็ต้องแตกแยกเป็นต้นศีลข้อนี้รักษาให้ดี คิดว่าโดยอารมณ์คืออ่านในหนังสือเขาบอกว่ามีอสังขารธรรมเป็นอารมณ์นั่นก็ไม่เข้าใจว่าหมายความว่ายังไงคะนั้นศีลข้อนี้มีโพธพารมณ์นั่นเองสังขารในที่นี้ก็คือโพธพารมมีโพธพารมณ์เป็นอารมณ์นะคือเรื่องมันลึกซึ้งอ่ะก็คือโพธพะกระทบกันนั่นแหละนะว่ามันเพราะมันชั่วมเมล็ดงานหนึ่งก็ผิดแล้วหละขอแยกกลับมาขออธินาฐานนะครับ เ น, นื่องจากบุตรที่ขโมยของบิดามารดามีโทษมากเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าถ้าจเจ้าของได้กัน้อยก็เอาเถอะนะเอาบอกทีหลังก็ได้ถ้าลืมไปก็คงไม่เป็นไรอย่างนี้ได้ป่ะครับผมครับคือถ้าคิดรักน่ะนะก็เหมือนกับสมมตินะปานาติบาศกพ่อแม่บาปมากไหมใช่ไหมอธินนาทานกับพ่อแม่จะไม่ให้บาปเลยเลแต่ถ้าสําคัญว่าคือสําคัญว่าท่านไม่หวงแหนน่ะนะถ้าเราสําคัญอย่างนั้นก็ไม่บาป ใช่ไหมก็เอาองค์ห้ามาจับสิใช่ไหมเรารู้ว่าพ่อแม่ห่วงแหนไหม้เราจิตคิดจะรักของท่านไหมอะไรไหมก็เอาองค์พวกนั้นมาจับใช่ไหมแต่เราคิดว่าเออเรามีส่วนอะ่ะถ้าคิดว่าเรามีส่วนก็ก็ชื่อว่าไม่ชื่อว่าเป็นอธินาทานยังไงยิ่งยิ่งอาจจะมีโทษใช่ไหมเหมือนกับข่าพ่อข่าแม่ลูกเออหนีไปเถอะเหมือนกับปาณาติบาตใช่ไหมคือขอให้คิดในสิ่งที่ไม่ดีกับกับท่านอ่ะนะก็มีโทษการคิดดีๆกับ พ่อคุณพ่อกุณแม่ก็มีมีคุณมากมายเพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นพระอระหันต์ของลูกอะ่ะเป็นวิสุทธิเทพของลูกอะ่ะคือการเกี่ยวข้องกับท่านเนี่ยแล้วแต่เราจะคิดอะ่ะคิดดีหรือคิดไม่ดีกับท่านอะ่ะการเรีนถามนะคะถ้าถ้าสมมติว่าของของอันนั้นที่เราหยิบไปจากคนที่ทีเ่เรารู้ว่าถ้าเขาเขามีสติสัพพิชญา ด, ดีเนี่ยเขาก็จะให้เราแล้วก็เอาไปทําบุญไงเขามีจิตคิด ในทานใกุศลอยู่เรื่อยเงี้ยคือเราบอกเขาก็ไม่เขาก็ไม่รับไม่รับรู้แล้วอย่เงี้ยเอาไปบริจาคแทนเขาอ๋อนี่เราก็ไม่ได้คิดเป็นอธินาทานน ะ, ะน่าจะเป็นกุศลไดเ้เป็นเป็น <c oughs> ก็คือเหมือนกับทรัพย์สินของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมซึ่ง <c oughs> ท่านก็พูดอะไรไม่ได้แล้วเราก็ไปทําบุญแทนท่านอ่ะนะะ <c oughs> ทําบุญแล้วก็ยกให้ท่านนั่นแหละอันนี้ก็ไม่ไม่ชื่อว่าเป็น<ม>ลักษณะของ อ, อธินาทานอะไร <c oughs> แต่ถ้าเราคิดเออเนี่ยสลบไปซะได้ก็ดีเราจะได้ไปใช้ตามใจเราเลยทั้งทั้งที่เราเราก็ยังไม่มีสิทธิ์ขนาดนั้นใช่ไหมแต่ถ้าอันนั้นก็มีโทษไปออคือในส่วนของอธินนาทานเนี่ยนะเจตนาดีไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนจะรู้ในการใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะส่วนหนึ่งจริงๆถ้ามีสามัญยสํานึกเนี่ยจะรู้ว่าผิดหรือถูกมีสิทธิ์ใช้ในสิ่งนั้นนั้นหมถ้าไม่มีสิทธิ์ใช้เนี่ย บางทีก็เหมือนกับสมมติว่าสามีภรรยาก็อยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่ว่าต่างคนมีสิทธิ์ใช้ของซึ่งกันและกันเท่าไหร่นะก็มีขอบเขตอยู่ของผมของคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตามของตัวเองตัวเองไปลวงละเมิดกันไม่ได้เพราะบางคนเขาตั้งกติ ก, กาไว้กันแบบนั้นถ้ายุ่งเกี่ยวกันก็ถือว่าเป็นอธินาทานไปอันทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาจึงบอกว่าส่วนหนึ่งก็ต้องถ้าเป็นพระวินัยเนี่ยเรียกว่ามีวิสาสะการถือวิสาสะนั้นก็ต้องเป็นคุ้นเคยกันมาก คุ้นเคยกันท่านเคยเอ่ยปากไหมและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราถือเอาแล้วท่านจะดีใจถ้าคนคุ้นเคยกันเนี่ยนะสมมุติว่าเราเอาไปใช้โดยที่ไม่บอกท่านหรอกแต่ท่านรู้แล้วท่านดีใจมากเลยคนนั้นดีใจเออ น, นี้เป็นลักษณะขององค์ที่วิสาสะขึ้นได้แต่ถ้าหากว่าเขาจะเอาคืนต้องใช้เขานะเรียกว่าเป็นพันดาไทยเป็นของที่จะต้องใช้คืนเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เอ่ยปากให้เราใช่ไหมเราไปใช้ของเขาอะ่ะเสร็จแล้วเขาจะให้เราใช้คืนเนี่ย เราต้องใช้คืนนะถ้าเราไม่ใช้คืนก็บอกว่าถ้าเราคิดจะไม่ใช้คืนแล้วล่ะแล้วเขาวางใจว่าเขาไม่ได้คืนแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอทินนาทานก็ถ้าเป็นของมูลค่าถ้าเป็นพระวินัยก็ตีราคาปรับปบัดเลยถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างไม่คิดจะเอาแล้ว เ, เจ้าของคิดว่าไม่ได้แล้วล่ะวางใจว่าไม่ได้แล้วทางคนเอาก็ไม่คิดจะให้แล้วด้วยวางใจทั้งสองเมื่อไหร่ก็ขาดจากความเป็นพระเท่านั้น นะวันนี้ก็คงใช้เวลากันเท่านี้